หญิงสาวยิ่งเวทนาจับใจพุ่มผ่าปลอบโยนเบาๆเดินกลับไปที่เกวียนหรือหีบคว้าเสื้อคลุมของหล่อนเองไว้ตัวหนึ่งนำมาคลุมทับให้ที่ไหล่ของกะเหลี่ยงสาวน้อยปกปิดทับเสื้อผ้าเก่าของนางซึ่งขาดรุ่งริ่งแทบไม่มีชิ้นดีมองเห็นเนื้อไปแทบทุกส่วนนางอ้วนนั่งตัวสั่นเป็นลูกนกอยู่เช่นนั้นเงยหน้าขึ้นพูดกับหลอนแผ่วเบาสั่นเครือนายหญิงเหมือนแม่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 ทำไมรัพพินถึงไม่บอกอะไรให้รู้ละเอียดร่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องหมู่บ้านหลมช้างนี่เรามารู้ความจริงเอาอีตอนจะเข้าถึงเขตมันอยู่แล้วมันพวกฆาตกรรมมหาวายร้ายชัดๆนี่นาดาดินด้องออกมาอย่างเร็วปื้อเต็ไมไปด้วยความตื่นเต้นเชิดถามเม้มปากเป็นเส้นตรงมองจับไปยังร่างผ่องผานใหญ่ที่ยังคงเดินนํำขบวนเกวียนดุ่มๆอยู่เบื้องหน้าไปด้วยอาการปกติชายยันก็กล่าวต่อมาด เ, เร็วว่า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 ม่หนำซ้ำยังต้องฝากของมันไว้ก่อนที่จะออกเดินทางแล้วเรื่องสําคัญที่สุดเสียงของหญิงสาวแหบแห้งหายไปใบหน้าขาวซีขึ้นมาในบตดนั้นจ้องไปยังพี่ชายและเพื่อนริมฝีปากสันหลุดปากออกมาแผ่วเบาที่สุดพี่กลางมันก็เป็นความรู้สึกอันเดียวกันกับเชษฐาและชายยานผู้เฉลียวคิดบูบขึ้นมาอย่างกระทันหันพร้อมกันทุกคนหันขวับไปทางแง่ทรายแง่ทราย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 ยิ่งทำให้เพิ่มทวีขึ้นอีกจนบอกไม่ถูกเหตุการณ์ที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าเป็นสิ่งที่ทํานายไม่ได้ทุกคนเริ่มอึดอัดกระสับกระส่ายดาลินเต็มไปด้วยความเดือดดาลที่พ่านใหญ่เก็บงำเรื่องหมู่บ้านดมช้างไว้บ่นพึมพำแต่เชี่าเตือนให้สงบไว้เฉยๆไว้เถินน้อยเขาเป็นผู้นําเราและเราก็ต้องไว้วางใจเขาดูเขาต่อไปดีกว่าระหินไม่เคยทําอะไรพลาดแกเองล่ะคุ้นเคยกับขยินดีหรือเปล่า ชายยันหันมาซักแง่ายด้วยความรู้สึกอันตะคันตะคอผมรู้จักมันและมันก็รู้จักผมแต่ไม่คุ้นเคยนักพรานใหญ่รู้จักมันดีกว่าผมแล้วแกผ่านไปมาอยู่แถบนี้เสมอมันไม่ได้งานแกหรอกหรือแง่ทายยิงฟันขาวผมไม่ได้เป็นเยื่อแล้วก็ไม่ได้เป็นศัตรูของมันมันก็รู้ทันมันอยู่ทุกขณะเต่ากับจระเข้พบปะกันโดยไม่มีภัยทั้งสองฝ่าย แล้วมันหลบหัวหายกันไปไหนหมดไม่โผล่ออกมาเห็นสักคนมันหลบนิ่งมองการเคลื่อนไหวของเราอยู่เงียบเงียบมันเห็นพวกเราแล้วเห็นตั้งแต่เราผ่านเขตเข้ามาแต่มันคงยังไม่รู้ว่าเป็นพวกไหนพรานใหญ่จะนําพวกเราเดินเข้าไปจนถึงหมู่บ้านของมันแบบนี้น่เหรือมันยังไงพี่กรอยู่นะดาลินพูดอย่างไม่สบายใจชำเลืองไปทางปืนริมเกลนที่เสียบไว้เป็นตับชายยันกับเชิดาหยิบมาสํารวจดูทุกกระบอก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 ถือหลักความไม่ประมาทไว้ก่อนนะครับเป็นดีทำไมคุณไม่บอกให้เรารู้เสียแต่แรกว่าไอ้หมู่บ้านหล่มช้างนี่น่ะมันเป็นหมู่บ้านมหาโจรพวกฆาตกรที่เป็นภัยอันตรายที่สุดหญิงสาวหน้าเครียดตั้งกระทุ้มาอีกพรานใหญ่ชะงักไปนิดหนึ่งชำเลืองแวบไปที่แง่ทรายแล้วตอบราบเรียบเช่นเดิมว่ามันเป็นมหาโจรหรือฆาตกรกับใครก็ช่างขออย่าให้มาเป็นกับพวกเราก็แล้วกันและเราก็หวังไว้เช่นนั้น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 ไม่กี่อึดใจต่อมาการเตรียมตัวลงไปพบกับขยินก็เสร็จสับนัดกันเสียให้เรียบร้อยก่อนจะเอายังไงเชษฐาถามถ้าได้ยินเสียงปืนก็แปลว่าเกิดเรื่องครับต่อจากนั้นก็สุดแล้วแต่คุณชายหรือคุณชายันตัดสินใจขอบอกเพียงอย่างเดียวว่าไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมทั้งสี่คนเขาบอกมาอย่างง่ายๆแล้วพยักหน้ากับพรานหนุ่มทั้งสาพากันเดินลงจากไกลเขามุ่งตรงไปยังหมู่บ้านอันมองเห็นเงียบเชียบอยู่นั้น ขณะที่ร่างของพลานใหญ่กับอีกสามคนห่างออกไปเชษฐาก็เรียกบุญคําเข้ามาบอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมจ่ายลูกปืนให้คนละกล่องบุญคําปฏิบัติตามคําสั่งโดยเร็วเรียกพวกลูกหาบทุกคนมาแจกจ่ายกระสุนปืนให้เชษฐาดาลินณชายยานลงจากเกวียนตรงเข้าไปยึดกลุ่มโขถินดิมพา้าแล้วสั่งให้พวกลูกหาบกระจายกําลังกันออกแยกย้ายไปจําอยู่ในที่มัน่นพร้อมที่จะโปรยหากระสุนลงไปในทันทีหากเกิดเหตุร้ายขึ้น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 มันไม่เคยกลัวใครก็จริงแต่มันทั้งรักทั้งเกรงคุณรพินถ้าไม่ได้คุณรพินป่านนี้มันก็ตายไปนานแล้วคณะไหนจ้างทั้งสามหันขวับมาจ้องหน้าบุญคำเป็นตาเดียวด้วยความประหลาดใจคลามคันทาไมพรานใหญ่เคยช่วยชีิตเจ้าขยินไว้เหรอชา ย, ยานถามเร็วปือเรื่องการช่วยเหลือนะ่ะคุณรพินแกเที่ยวได้ช่วยเหลือใครต่อใครไว้มากทีเดียวครับไม่งั้นแกก็ครองป่านี้ไม่ได้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 ไอเสือนี่มันเป็นคนทําตัวเหลือหลายไม่ยอมคุยอวดสักดาอะไรเลยนอกจากพวกเราจะค่อยๆรู้เห็นกับตาเองคนทื่อมาลื้อดูยากแต่หาครับพี่ใหญ่กวนโทโสเสร็จแล้วเกินเจ้าประคูณขอให้เจ้าขยินนั่นซั์ออกมาสักเปลี่ยงเถอะนะอ้าวไงงั้นล่าน้อยแช่งเขาเสร็จแล้วชายยันร้องออกมาไม่รู้เพื่อนสาวสะบัดหน้ากระชากเสียงมาห้วนหวนจากการเฝ้าจับมองของทุกคน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 ห่างบ้านกลุ่มแรกออกมาประมาณ200หลาแล้วให้หยุดปลูกสร้างแคมป์ขึงกระโจมขึ้นพานใหญ่สั่งให้พวกเราตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ครับเสรยบอกเมื่อถูกเชฐดถ า, ถาม